ا ل ل ه ل رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين و ا ل ع و د ن إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. จากอายาหนึ่งร้อยี่สิบสองที่ผ่านไปแล้วเนี่ย122รอยยี่สิบสองซึ่งเป็นหน้าที่อัลลอฮสุบฮานาะวะอาลาได้วังมาตรฐานไว้เกี่ยวกับสัดส่วนของสังคมที่จะต้องเรียนรู้และก็มีส่วนหนึ่งที่จะทำหน้าที่ ต่อสู้ทำสงครามซึ่งผมได้อธิบายว่ามันมีอยู่สามท่าะเกี่ยวกับการตีความอายานี้ได้บอกไปสองสองท่าะเหลืออีกหนึนน่งท่าะก็จะอ่านอายานี้ อ, นอานายนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาทบทวนความหมายรวมถึงทัศนะที่สามจะได้ย้ายไป อไม่บางคนที่บรรดาผู้ศึกษจะไปสู้รบกันทั้งหมดทาไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขาจงไม่ออกไป เพื่อหาความเข้าใจในศาสนาและเพื่อจะได้ตักเตือนหมู่คณะของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้กลับมายังหมู่คณะของพวกเขาโดยหวังว่าหมู่คณะของพวกเขาจะได้ระมัดระวังประเด็นยีติว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอายะที่อัลลอ์ได้คำชัดว่าถ้ามีการร้องเรียกให้ออกไปสู้รบทานับบีเรียกร้อง ก็ต้องออกไปหมดอิมฟิรุฮีแฟ่ฟันวาซิโกล่ะพวกเจ้าจงลุกขึ้นไปต่อสู้ในทุกสภาพอันนี้ว่าท่านอบดเบียร์เรียกฮายาลญีฮ์ต้องลุยออกหมดแต่มันก็เกิดภาวะที่จะต้องเข้าใจเพราะเกรงว่าคนจะเข้าใจคําสอนหรือคําสั่งก่อนหน้านี้ไม่ถูกที่ถูกทางก็หมายถึงว่าท่านอับดุบีบอกให้ออกก็ออกหมดหมายถึงว่าแล้วก็ภารกิจอื่นไม่ต้องมีใครทํา การ น, นั้นหรือก็ต้องมีการปรับความเข้าใจนี้ไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนว่าสังคมก็จะต้องมีภาระอื่นที่ต้องทำและการที่จะจัดจั ด, จดสรรภาระนี้เนี่ยให้ลงตัวนี่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้นาแน่นอนแต่พลเมืองต้องตรหนักและเข้าใจในสัดส่วนนั้น เราต้องตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของแต่และภาระด้วยอันนี้เอายกตัวอย่างในในในในเรื่องในสังคมของเราเนี่ยสมมติว่าครอบครัวนึ่งอ่ะพ่อแม่เขามีลูกหลายคนแล้วก็ในบ้านเนี่ยเัาก็สมมติมีอะไรเกิดขึ้นน้ำท่วมในบ้านฝนตกน้ำท่วมในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านกับเป็นญาติพี่น้องก็น้ำท่วมโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อแม่บอกกับลูกเอาไปไปช่วยเลย ถ้าลูกเข้าใจว่าไปช่วยในหมายเที่ยว่าลูกไปทั้งหมดเลยไปช่วยเพื่อนบ้านทั้งดั้งดีบ้านตัวเองก็ท่วมใช่ปะอ่าก็ต้องมีการปรับความเข้าใจว่าเอาไม่ใช่นี่มหมายถึงว่าไปช่วยทั้งหมดต้องมีส่วนหนึ่งที่ประจําอยู่ที่บ้านจะได้จะได้ช่วยในบ้านด้วยนะครับแต่เรื่องมันก็ไม่ดีมันไม่ได้เป็นเพียงแค่นี้ เพราะในความหมายนี้อันนี้เป็นความหมายที่เข้าใจโดยโทยั่วไปแล้วก็ตรงกับความหมายที่อธิบายเป็นภาษาไทยนี้ก็หมายถึงว่าคนที่จะออกไปสู้รบนี่ก็ออกไปสู้รบหมดไม่ได้เพราะมันจะมีบางสถานการณ์นบีไม่ได้ออกไปสู้รบเองนบีจะส่งจะส่งสาบานนี่ออกไปออกสงครามแต่นบีอยู่ที่มดีนะและคนดี ออกไปสูรส้รบนี่โดยแน่นอนจะไม่มีโอกาสเรียนรู้กับท่านนบีตอนที่นบีอยู่ที่มาดีนะด้วยเหตุผลว่าจะเรียนรู้ศาสนาเนี่ยก็ต้องอยู่กับ น, นบีเพราะความรู้ตอนนั้นนะก็คือมีแหล่งเดียวก็คือตัวท่านนบีก็หมายรวมว่าถ้กากรณีแบบนี้เนี่ยแล้วมีใครจะออกไปสูรส้รบนี่ก็ให้ออกไปบางส่วนนี่ออกไปสูรส้รบแล้วก็ให้มีบางกลุ่มเนี่ยอยู่กับท่านนบีที่มาดีนั่นเนี่ยให้เรียนรู้ซะ คนที่ออกไปสูร้รบแล้วนี่เขากลับมาคนนี้เรียนรู้ก็ท่านนบีจะได้บอกว่าอ๋อนี่ตอนที่พวกเองไปไปสูร้รบนี่มีนบีพูดฮะดีสนี่มีอายาันี่ทุะกามีฮุกุมเรื่องนี้ลงมาทีนั้นาราจะถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาจะได้ระมัดระวังจากหลักการที่ได้เรียนรู้มาใหม่ๆตอนนี้เขาอยู่ในสงครามเนี่ยเขาไม่จะเรียนรู้มาหรือในกรณีที่ นบีจะออกไปสู้รบเองด้วยความจำเป็นจะต้องมีบางกลุ่มนี้ก็ต้องพำนักอยู่ที่มดีนาไปไหนไม่ได้จะบริหารปกครองดูแลสัตรีคนชราคนพิการที่คนบ่วยที่อยู่มันก็ต้องอยู่ไงถ้าไปทั้งหมดนี่ไปไม่ได้แต่ถ้าก็อยู่ที่มดีนแล้วกันนบีออกไปสู้รบแน่นอนอายอุรานหะดิสก็ยังอยู่กับนบีใช่ไหมแสดงว่าคนที่ออกไปสู้รบก็จะเป็นคนที่เรียนรู้กับท่านนบีอยู่ดี แล้วก็คนที่อยู่มาดีนะนี่เขาก็เสียเปรียบเหมือนกันว่าอยู่ไม่ดีวกับ น, นบีนี่แต่เขาอาสา จ, จะต้องทําหน้าที่ตรงนี้<ม>ก็จะพลาดกุรานละฮะดิษที่เกิดขึ้นตอนที่ท่านนาบีออกไปสู้รบแต่มันก็เข้าในหลักการเหมือนกันวะอย่าไปทั้งหมดเลยนะมันก็ต้องมีคนทาหน้าที่อย่างอื่นพอคนที่ไปเรียนรู้กับท่านนาบีพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะเล่าบอกว่าไอ้ตอนที่ท่านนาบีไปเราไปสู้รบกับท่านนาบีนี่ มันมีนบีมีอยายะแบบนี้ลงมามีฮุกโมแบบนี้ท่านนบีสอนเรื่องนี้ให้คนที่ไม่ไดีออกไปสู่โลนี่สองสองศาสนาหรือสองกรณีที่มันจะเกิดขึ้นกรณีที่สามอยายะเนี่ยที่อุลมามะบางท่านบอกว่าถูกประทานลงมาเพราะเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือพีที่แปดเนี่ยท่านนบีพิชิตมะกกะ ที่ชินมาการนี่ยอย่างที่เคยบอกกันมเป็นการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการในขาวสมุดอาระเบนี่ว่านบีมุฮัมมัดสอดรับไม่มีคู่แข่งแล้วนะไม่มีใครที่จะมาแย่งอำนาจแล้วนั่นก็นบีมุฮัมมัดเนี่ถือว่าเป็นอานาจเดียวเบ็ดเสร็จที่ครอบสมุดครอบสมุดครอารับตกรนนนะเดียงลังเล กูจะเข้าข้างใครดีกว่าเขากูเร่จือจะเอาโมฮัมมัดกูเรือมฮัมมัดเนี่ยเขาเห็นว่ากูเรจก็ยังแข็งแกร่งอยู่ไอ้ยัรอรอก่อนรอก่อนพอนบีพิชิตมักกะเสร็จแล้วไอ้พวกที่ลังเลเนี่ยก็ต้องตัดสินใจพอนบีพิชิตพิชิตมักกะเดือนละมดอนนบีกลับไปมาดีได้เนี่ยต้นปีดีก้วเนี่ยขรกานมุลูฟด ปีแห่งกลุ่มที่ส่งทุกกลุ่มต่างๆในเมืองหัวเมืองต่างๆในข้าวสารที่ส่งตัวแทนไปสัตยาบันกับท่านนบีก็มีอยู่เมืองหนึ่งตำบลหนึ่งพอเขารู้แล้วโอนนบีชนะนบีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดขอเกาลาย ยกขบวนทั้งตำบลเลยไปกันหมดเลยไปไหนไปมา ด, ดีนะไไ่ไปทาอะไรเสด็จบัณมากันมากันเป็นพันเลยอะ่ะคือไม่มาทั้งเมืองอะ่ะทั้งเมืองเป็นพันใช่แต่ก่อนนู้นเมืองมันเล็กอะ่ะและเมืองแต่ก่อนนูมันไม่ไดีมีคนโดเหมือนบ้านเรานะี่ยเนี้คนโดหนึ่งก็มีสอง อวนซื้มีปัญหาเอาบอกคนโดนมีพันกว่าห้องพันกว่าเท่ากับเมืองนะ่ะคนโด น, นะนหนึ่งเท่ากับเมืองนะเขานึงเท่ากับเมืองแต่เป็นพาระสําหรับเมืองใหญ่แต่กอนนู้นน่ะเมืองนึงกับอยู่กันนะก็ประมาณไปดูดิถ้าจต่างจังหวัดนี่ชนบทเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเมืองเล็กๆ เ, กเกนะี่ยก็ประมาณกี่หลังคาสักร้อยหลังคาร้อยหลังคา บ้านหนึ่งถ้าบ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่เนี้ยก็อยู่สักสิบคนนึงก็พันหนึ่งใ น, เ, น, น, นเมืองเล็กและ้ะยกเมืองเลยมาเข้ามาดีนะทีนี้มาม า, มาดีหน้าแล้วนี่นะก็เป็นภาระดิสำหรับเมืองมาดีนะไม่อยู่ที่ไหนอ้าว ม, มาอยู่ก็มาจะมาเบียดพื้นที่ของชาวบ้านเรื่องอาหารการกินก็เขาก็ไม่พร้อม เ, เป็นเมืองดีแต่เพราะเป็นคนยากจน แต่มีบางกลุ่มที่ก็ทําแบบนี้เหมือนเจตนาเจตนากันแกล้งท่านอับีและกันแกล้งซาฮาบะมีไหมก็ก็จะมีคือต้องเข้าใจนะครับว่าอารับชนบทเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การที่เขาอยู่ในชนบทนี่ก็ทำให้เขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท่านนบีสุลต่านเลยสั่งล่ะเหมือนเตือนทางอ้อมว่าไม่ควรสำหรับสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยที่จะไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเหมือนชนบทเป็นคนเร่ร่อน หรือชนบทอยู่แบบสันโดดโดดเดี่ยวไม่อยู่ในสังคมที่มีเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันท่านนบีได้บอกว่ามันบดดาเจฟามันบดดาคนที่ออกไปชนบทนี่ไปอยู่คนเดียวนี่เจฟ่าจะมีมารยาที่แข็งกระด้างซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง อย่าว่าจะไปอยู่ในชนบทคนเดียวนะครับคนที่ชอบอยู่คนเดียวนี่สันโดษอยู่คนเดียวนี่อยู่ในคอนโดเนห้อคนเดียวนี่ก็จะมีมารายาทแบบนี้แข็งก้าวแข็งกระด้างสวัสดีครับวันดีสนามออะไรกมครับอะไรกูคือเขาไม่เขาไม่มีความพร้อมไม่มีความมินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆกับคนอื่นนี่นี่นี่ี่ก็เสียของคนที่ไม่เข้าสังคม คนนี้ไม่อยู่กับสังคมการที่เราอยู่กับสังคมเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนความรู้สึกความเดือดร้อนของเขาความเดือดร้อนของเราความเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะปรับนิสัยของเราแต่คนนี้คิดว่าเขาเขาเก่งมากเขาอยู่คนเดียวเขาเขาไปรอดอยู่ได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นทำงานก็มีเงินเดือนของเขาก็มีสวัสดิการป่วยนี่ก็ไปโรงพยาบาลไปรักษาไปคือ คือสังคมเมืองตอนนี้เนี่ยเรื่องสวัสดิการเนี่ยมันมันทําให้เราเหมือนเข้าใจกันเองว่าเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็ทุกอย่างนี่มันทํางานเหมือนเป็นเครื่องจักรจะจะทําบัตรประชาชนอย่างนี้ไปไปกรนะไปถ่ายรูปอไปจบแล้วได้รับบัตรประชาชนมันก็เลยสังเกตว่าการที่จะมี สังคมที่มีความรู้สึกร่วมนี่แม้กระทั่งในเมืองใหญ่ที่น่าจะมีความสามัคคี ม, มากขึ้นนะ่ยมันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นคนดูอยู่กันเป็นพันคนนะนะไ ม, ไม่รู้จักกันเลยึ้นลิฟต์นี่นะนึกว่าคนมาส่งของส่งของหรือว่าอ๋อไม่ใช่นี่นี่เพื่อนบ้านนะห้องใกล้ๆเนี่ยติดตกันเลยแต่ไม่เคยเจอไง เพราะอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรที่จะไปข้อประตูไปรู้จักหรือจะเจอเกันอ๋อนี่พักอยู่มีมะที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดนี่เวลาขึ้นเรียบด้วยกันอ๋อพักอยู่ห้องไหนครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่หัวยุ่งยุ่งอะไรก็เขาไปอยู่ที่ไหนห้องไหนนี่คุณยุ่งอะไร น, นี่เป็นความรู้สึกจริงๆของของชาวเมืองแต่ปัจจุบันนะีน่ปัจจุบันแต่้าก่อนนู้นน่ะไม่ใช่ก่อนนู้นอะมยง ไ, ไม่นานมากหรอกสมสบสี่สิปีนะนั่งขึ้นบินนี่ก็ต้องมีคนทักละนั่งรถเมล์ก็ต้องมีคนทักละนะเต่นี้ล่ะไม่มีเลยกลุ่มนี้เขาก็เลยยกเมือง มันก so ็เป็นสภาพที่มันไม่สวยงามแต่เขาก็เขาก็เสียเปียบที่ว่าแน่นอนคนที่ยกเมืองกันมาทั้งหมดเลยเนี้ยก็เขาจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะเขาไม่อยู่ทุกคนที่สามารถเข้าไปเรียนรู้กับท่านนบีสอลแลลอะลัยอุสลาฮฺยังไงก็จะต้องมีคนไปทำหมากินไปเตรียมในบ้านเตรียมช่องอะไรเพราะเป็นคนมาใหม่ไงอับดุอาบบะสมีทัศนบอกว่าอ้ยานี่ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับกลุ่มเหล่านี้ วา่าถ้าหากว่าพวกเจ้านี่มีความจำเป็นที่ต้องออกไปภาระอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมาเมืองมาดีนา่านี่มาเรียนรู้ก็อย่าออกมาเรียนรู้กันทั้งหมดมีเรื่องเรียนรู้นะก็อย่าออกมาเรียนรู้กันทั้งหมดให้มีกลุ่มหนึ่งออกมาเรียนรู้และกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่เมืองของเขาพอกลุ่มที่เรียนรู้นี่เขากลับมาเขาก็อขมาเขาก็กลับไปสอนคนที่อยู่บ้านคิดดูสิ ถ้มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยออกไปเรียนอาสาฮัดกันนั้งประเทศถ้าออกไปเรียนไปเรียนเมืองนอกเมืองนากันทั้งประเทศอ้างว่าไปเรียนศาสนาไปเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่จริงแล้วตอนนี้มันก็เป็นปัญหาใกล้เคียงกับเรื่องนี้หมายถึงว่าคนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเยอะมากเยอะมากและการที่มีคนไปออก ไปเรียนต่างประเทศเยอะมากโดยไม่มีการจัดสรรสัด ส, ส่วนของความรับผิดชอบคนที่ออกไปเรียนเนี่ยเพื่อจะได้กลับมาเป็นคุณประโยชน์สาหรับสังคมเนี่ยทำให้คนที่ออกไปเรียนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างไม่มีคุณภาพนี่เป็นเรื่องจริงและเราต้องแลวเราต้องกล้าพูดเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เวลาพูดแล้วเนี่ยก็มีคือเวลาพูดเรื่องจริงเนี่ย บอกได้เลยนะครับเวลาพูดเรื่องจริงของสังคมนี่คนเขาไม่ชอบขี้หน้า่ยแม้กระทั่งลูกศิษย์ผมหลายคนทุกคนนะ่ะนะที่เรียนศาสนาเนี่ยเขาก็อยากจะออกไปเรียนเมืองนอกทุกคนแต่ผมก็จะเตือนลูกศิษย์จะออกไปเรียนเมืองนอกถ้าออกไปเรียนอะไรเพื่อจะได้กลับมามาเพิ่มเพิ่มมูลค่า ความรู้มันมีอยู่แล้วความรู้มีอยู่แล้วแต่ออกไปนี่แล้วก็กลับมามีความรู้เดิมเดิมมีประโยชน์เดิมเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เรียนรู้ที่นี่ก็พอเพราะการที่ออกไปออกไปขาดทุนเรื่องอะไรเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องอะไรต่อเมียอะไรแค่ไม่ไม่อยู่กับพ่อแม่ครอบครัวนี่มันก็มันก็เสียดายเรื่องไงแต่ไปแล้วนี่มันมีมูลค่าเพิ่มมากกว่า สิ่งที่จะได้จากที่ในการอยู่ที่นี่เนี่ยนะคุมแล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยคนในบ้านในเมืองเนี่ยเขาจะได้รู้นี่ว่าอที่ออกไปนี่แล้วกลับมานี่มันมันเป็นประโยชน์จริงสําหรับสังคมไม่ใช่เพิ่มเพิ่มบริญนีอย่างเดียวไม่มีประโยชน์พระยานี่บอกว่าอิาราจาวเอลัยวาลิยนธิรุข่ม จะได้ตักเตือนหมู่คณะของพวกเขาอิจาราเยอรลอิเลหเมื่อพวกเขาได้กลับมายังหมู่คณะของกลับมาแล้วนี่ต้องทำอะไรละอัลลอฮุย่าฮะรุนเขาจะได้ระมัดระว่าหมายถึงว่าเขาจะต้องมีบทบาทปีหนึ่งเนี่ยจบนักเรียนที่ไปเรียนศาสนาต่างประเทศนี่แล้วก็จบมาหนึ่งกลับบ้านเราเนี่ยหลักพันนะ เยอะนะไม่น้อยนะมันจะเพิ่มอะไรไหมแต่หากว่าคนที่ออกไปเรียนศาสนานี่จะกลับมาเรียนศาสนานกลับมาทำงานไก่ล่ามส่วนมากก็ทำงานอย่างอื่นด้วยหนะะ้ากับทำธุรกิจขายของเปิดร้านผิดมันไม่ผิดมันไม่ผิ ด, ผดแต่การนี้ไป จะบอกว่าเสียเวลาผมก็ไม่ได้เสียเวลาก็ไปเรียนศสไม่ได้เสีเยเวลาแนตะ่ใช้เวลานานแล้วกลกับมาที่สุดเนี่ยที่สุดนี้ก็คือเป็นไก้เป็นไก้์อ็ถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นก็หมายถึงว่าอยากจะออกไปเรียนรู้เรียนภาษาเรียนภาษาแล้วจะเรียนภาษาอย่างเดียวมันก็ต้องเรียนศา ส, ส, สนาปนไปด้วยนี่ ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเออมาสอนศาสนามาอะไรก็พอทำเนาแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นไงเราเข้าใจกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีระบบนี่พูถึงเรื่องจัดสรรเรายังไม่มีระบบเรื่องวีส่วนกลางที่จะจัดสรรเรื่องงบประมาณเรื่องรายได้ให้คนที่เรียนศาสนาแล้วก็กลับมาทํางานเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงสําหรับเขา กลับมาสอนศาสนานี่นะคือเงินเดือนที่เงินเดือนครูสอนศาสนาอิสลามเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าเงินเดือนน้อยกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำที่สุดของแรงงานบ้าเราเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละรับาลใหม่นี้เท่าไหร่ละร้อยปะ่ะวันละสามร้อยป่ะ สี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยหมายถึงเงเดือนละ้ะเดือนละเท่าไหร่มื่นสองทีู่สอนศาสนาเนี่ยเดินละแปดพันหกพันนี่ผมผมไม่ได้พูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะแปดพั 8, นในมือนีนีนับปัจจุบนัน คนนะรูสอนศาสนาบ้านเราสอนกูอ่านฟาร์โดอินอะไรแปดพมันน้อยไปที่มึงจะเอาอะไรมึงแค่มึงแค่แค่สอนกูอ่านมึงแค่สอนกูอ่านจะเอาอะไรมากกว่านั้นสมผลให้คนที่ไปเรียนศาสนานี่คือได้อนาคตรู้รู้ว่าอนาคตนี่ไม่ไม่แน่นอน ไม่ไม่มั่นคงแล้วผมคิดว่านี่คือที่ไปที่มาที่บ้านเราเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าตัวครูสอนศาสนานี่มีสิริรักษ์กาศหมายถึงว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็ น, เ ป, นเป็นอาจารย์เป็นตัวครูอย่างนั้นะมีสิริรักษ์กาศมันไม่เสมอไปไงอาจารย์บางคนครูบางคนเนี่ยกระรวยมีตังไม่ใช่ว่าครูเป็นครูเป็นอาจารย์แสดงว่ามีสิริรักษ์กาศตายตัวนะไม่ใช่ อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในจําพวกอยากจนขัดสนหรือไม่ถึงจะได้รับสากระแต่บ้านเราเนี่ยเขาขเพราะอะไรเพราะเขาไม่ เ, เห็นน่ะตัวครูรวยหรือมีฐานะไงตัวครูนักวิชาการส่วนมากเนี่ยเงินเดืนอนอาจารย์สดีเคยเล่าบอกวเงินเดือนเขาสอนสอนโรงเรียนเงินเดืนนอนอีสองพันสองพันผมนี่เคยสอนสี่วันน่ะสวันน่ะ สัปดาห์ละสองวันได้เงินเดือนสี่พันทั้งเดือนนะสี่พันมือกี่สิบกอบีเงินเดือนสี่พันนั่เนเรื่งจริงแล้วถ้าหากว่าคนที่สอนศาสนานี่ย้าไมไ่อนาคตแบบนี้เขาจะต้องทำอะไรเขาต้องหางานอื่น พอครูที่สอนกุศอ่านสอนศาสนานี่หางานอื่นเนี่ยแสดงงอเวลาเขานี่ก็ต้องกุศถูกแบ่งแล้วใช่ปะสมมติว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตื่นกลางคืนต้องเตรียมเนื้อเตรียมหมอ้อล้างนู่นทํานู่ทนทนํานี่เวลาจะอ่านหนังสือละ่ะเวลาจะทบทวนกุศอา่านนะซึ่งเวลาที่เขาจะต้องทุ่มเทนในการที่จะเรียนรู้ศาสนาให้เต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปหมดกับส่วนหนึ่งที่ก็ต้องต้องต้องไปดิน้นดน จึงทำให้คุณภาพความรู้ในบ้านเราเนี่มันก็เลยตกต่าไปเรื่อยพอเราไม่มีนักวิชาการไม่มีทกุที่มีเวลาว่างทุมท่มเทกับวิชาการค่อนข้างไม่มีค่อนข้างไม่มีอ า, านี่นี่พันสี่รอปีเนี่ยได้ให้ทฤษฎีให้เราได้เข้าใจว่ามันต้องมีการแบ่งภาระต้องมี ทำไมส่วนกลางของสังคมเนี่ยเขารู้แหละอาชีพต่างๆนี้เอาต้องทุกต้องซัพพอร์ตเรียนหมอเรียนวิศวกรรมเรียนเรียนอะไรก็ได้วิชาไหนก็ได้ก็ได้ถ้ามีมีอาชีพรองรับมีตำแหน่งรองรับมีเงินเดือนมีสวัสดิการทุกอย่างมันรองรับทั้งหมดเลยแน่นอนคนมาเดินสายนี้แล้วจะเรียนสายนี้แหละเขารู้ว่ามีอนาคตเนี่ยเขาต้องเรียนนี่นี่นี่ก็จบ จบแล้วนี่อ้าวนนะ่าท่าน้คอเพิ่มความรู้นิดหน่อยเนี่สมัครที่ไหนเนี่ยเขารู้เลยเริ่มต้นเงินเดือนนี่สามสี่หมื่นเริ่มชีวิตน่ะสามสี่หมื่นให้ใจออกสบายสบายหน่อยโลง่ลงๆหน่อยพอเริ่มต้นนะ 3, 40, นะ่ะสามสี่หมื่นนะอพอถ้าเริ่มแก่หน่อยเนี่ยห้าปีสิบปีหนึ่งเงินเดือนเขาก็อับละไม่ต้องเป็นประเทศที่มีทรัพยากร ธรรมชาติเช่นน้ํามันแก๊สอะไรพวกนี้ไหสิงคโปร์ติดอันดับที่สามหรือที่สี่รายได้สูงสุดรายได้เฉลีย่ยของของประชากรน่ะนะอันดับสามหรือสี่ของโลกสิงคโปร์มีน้ํามันมีอะไรไหมไม่มีประชากรเขาก็ไม่ไมขอขอมดีกว่าก็อินก็น่าจะแถวนี้แหละ สังคมมุสลิมเราขาดการบริหารส่วนกลางอย่างมากและเรื่องนี้ที่ที่จะต้องเป็นนี่มันเป็นเรื่องเป็นภารกิจที่พวกเราทุกคนต้องนั่งคิดกันนะเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยมีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยร่วมนะโดยรวมพวกเราคนหนึ่งก็ อยู่ในชุมชนอยู่ในชมรมกรรมการมสัสยิดหรือรู้จักกับคนที่มีอํานาจคนที่มีตําแหน่ง ม, มีความสามารถหรือว่าเราร่วมกันจัดกิจกรรมอะไรส่วนรวมยังไงเราต้องจัดสรรกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่าให้การทํางานของเรานี่มันซ้ำซากซ้ําเติมให้ ให้เร่องมันก็เหมือนเดิ ม, ดมไม่ไดีพัฒนาอะไรไม่ไดีมี ด, ไมไ ด, ไมไดีไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยแล้วก็เช่เชนการเรียนรู้ดับซีของเราที่ผมเตือนตัวผมและกับพี่น้องการที่เรามาเรียนคุตตานหรือเรียนศาสนาเนี่ยสูมุติฐานของการเรียนรู้ศาสนาเนี่มันจะต้องเพิ่มพูนมันต้องเพิ่มมูลคา่าต้องทําให้ชีวิตของเราหนี่ดีขึ้นและเราต้องรู้สึกด้วย ความเข้าใจศาสนาต้องดีขึ้นการปฏิบัติก็ต้องดีขึ้นคุณภาพชีวิตในเรื่องงินอื่นเนี่ยก็ต้องดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาดูมันผิดตรงไหนผิดตรงที่คนที่ให้ความรู้หรือผิดที่ตัวเราที่เราเข้าใจไม่ถูกต้องหรือเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติต้องหาดูจุดอ่อนมันจุดบอดมันอยู่ตรงไหน อันนี้อายะที่ผ่านไปแล้วแล้วก็มีส่วนที่ไม่ได้อธิบายก็เลยมามาอธิบายเพิ่มในวันนี้นะครับอายะหนึ่งร้อยยี่สิบสามนี่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นอายะที่มีความสําคัญเหมือนกันแต่ผมเคยอธิบายอายะนี้ก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วเอ่อก็จะไม่ไม่อธิบายเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายอายะนี้ต้องเข้าใจนะว่า ทุกสุรทุกอายะในกุรานท่ามกลางสงครามถูกประทานลงมาท่ามกลางสงครามการสูร้รบระหว่างท่านนบีกับผูบ้ปฏิเสธทาถ้าอายะนั้นๆสุรนัน้นๆมีการกล่าวถึงคําว่วากาเฟตุฟาร์คือผู้ปฏิเสธทานนี่นั่นหมายรวมว่า เอาคำว่ากูฟารนี่ออกไปแล้วเอาคําว่าศัตรูเนี่ยมาตัง้งแทนได้เลยกูฟาร์ตอนนั้นน่ะก็หมายถึงว่าคนที่เป็นปฏิปักษ์คนที่กําลังสูร้รบกับท่านนบีห้ามไม่ท่านนบีเข็นฆ่าสังหารนบีแล้วก็สาวกของนบีห้ามไม่ให้ น, นบีทํางานศาสนาห้ามไม่นบีดาวะและ้วก็นบีจะเดินทางไปไหนแต่ไหนนี่ก็จะถูกดักแล้วก็ถูกสังหารศัตรูสภาพของศัตรู ต้องเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นถ้าลราพูดถึงกูฟารเนี่ยและพูดถึงการเข็นฆ่าการต่อสู้กับกูฟารเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าจะไปฆ่ากาเวตหรือไปฆ่าผู้ปฏิสัทธาโดยไม่มีเหตุผลเราต้องเข้าใจบริบทเพราะกูฟารในยุคนั้นนะคือคนที่เป็นปฏิบัติกับท่านคือคนที่ตั้งใจจะฆ่านะบีอย่างเดียวถึง จ, จะเข้าใจ يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم غلظة وعلم أن الله مع المتقين. أو ستعشون د ع ا ي تنصروب قاتلو قاتلو ر و ا ت ل و เน ر ا س ب ของมันเน قتلا ق ت ل بيوه كا. قتلا ب ي كا. رسال. لكن قتلا ماشي كا. ก็แต่ละไปว่าการต่อสู้สู้รบกีต้านเนต่อสู้สู้รบไม่ใช่ค้าฉนั้นไม่มีไม่มีอายะในกุรานที่บอกว่าฆ่ากาเฟร์แล้วก็มีนักกิชการดีเขาไม่ไม่ใช่อาหรับแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในภาษาอาหรับนี่ไงกุรานนี่เต็มไปหมดเลยอายะที่สั่งให้ฆ่ากาเฟร์ไม่ใช่ที่มีทั้งหมดนี่คือกาติลูให้สู้รบ และการสู้รบนี่ไม่ได้หมายรวมว่าจะต้องฆ่าเสมอไปแต่การสู้รบนี่มันมีบริบทของมันเน้นใจว่าเขานี่มาฆ่าเราเขานี่มาสู้รบกับเราเราก็ต้องสู้รบกับเขาแต่ไม่มีอายะหรือคําำสอนในอิสลามบอกว่าเจอการไว้ที่ไหนนี่ฆ่ามันเลยอย่างที่เคยมีนักบวชนักศาสนาเคยออกมาบอกโอ้ศาสนาสั่งสั่งมุสลิมว่าเจอผู้ปฏิสตหาที่ไหนนี่สั่งฆ่าเลย คาทิ้งเลยอันนี้อันนี้ไม่มีแน่นอนและมันเสียดายว่าเราจะต้องมาอยู่ในในสภาพที่จะต้องปฏิเสษข้อหาซึ่งข้อหานี้มันเกิดขึ้นจากความง่เขาคนนี้ไม่ไม่เป็นธรรมกับ ค, คำสั่งสอนอิสลามคนที่จะเรียนรู้หลักการคำสั่งสอนของก็ต้องก็ต้องเรียนรู้อย่างรอบครอบละเอียดทีทั่วนหน่อย ไม่ไดเรียนรู้แบบสเปสป่าแบบเลอะเทอะคือเข้าใจเลอะเทอะ ม, ม, มาป้ายสีใส่ร้ายเราก็ต้องมาเหน็ดเหนื่อยในการที่จะอธิบายว่าไอ้ที่เองเข้าใจเลอะเทอะนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้เช่นมันไม่เป็นเช่นนั้นมันเหนื่อยเสียได้เไงเวลาจะาต้องเหนื่อยมาม า, มาสอนคนโง่เขาคนที่ไม่ยอมคือไม่เป็นธรรมกับคำสั่งสอนของคนอื่นเขา Allahu waqaṭilu jansurub ا ل ذ ي ก يلونكم من الكفار ك ب د ا ่ و ت ي و ใกล้เคียงพวกท่านที่เป็นผู้ปฏิเสธตาใกล้เคียงท้าหมายคำว่าใกล้เคียงอะบอกแล้วว่ากุฟ้าผู้อฏิเสตนี่หว่าศัตรูที่เขากำลังกำลังมีแผนมุ่งที่จะทำลายอิสลามหรือทำลายมุสลิม จะมีเหตุผลเพียงพอที่จะสู้รบเพื่อปกป้องและนี่คือเหตุผลเดียวที่มีในคําสั่งสอนของกุษานหลายอายะอลัลลอฮ์บอกว่าให้ต่อสู้ต่อสู้คนที่มุ่งมาต่อสู้กับเราตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ก็คือ ท่านนาบีสุลต่านละวะละอุสสลามเริ่มสงครามแรกนี่ก็ที่มาดีนะที่มดามดินานี่สงครามแรกนี่ที่ท่านนาบีทานี่ก็คือสงครามบัตรสงครามบัตรนี่นบีไม่ได้เริ่มนบีออกจากมาดีนาเนี่ยไม่ได้ตั้งจะทําสงครามเลยไม่ได้พกพาอาวุธอะไรมากมายเลยแต่ชาวกุเรนี่พอรู้ว่าท่านนาบีจะดักคาราวานธุรกิจของชาวมักกะ เพื่อชดชายทรัพย์สินของมุสลิมที่เขาอพยพแล้วพวกกูรูเนี่ยเขายึดทรัพย์ของเขาบ้านช่องเงินทองที่เขาเก็บไว้เนี่ยก็ยึดหมดน บ, บีก็บอกว่าเราก็ต้องชดชดนี้ก็เลยไปดักคาราวานของนักธุรกิจของชาวมักกะฮ์พอชาวกูรูได้รู้แล้วแลี่ก็เลยส่งกองทัพเพื่อไปปราบไปรับไปปราบมุสลิมที่มัดีนะน บ, บีก็เลยต้อง ตั้งมือรับทำสงครามเป็นการปกป้องที่อุหุดนีชาโกรินีบุกไปถึงไปหาถึงท่านนบีเลยสงครามอัลนดักนีปีที่หก็เช่นเดียวกันไปไปถึงท่านนบีสุลต์ละวะเลซสงครามใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับเป็นสงครามที่ท่านนบีถูกรุกรานมุสลิมถูกรุกรานและเขาปกป้อง ชาวโรมันเนี่ยเข ย, ยกทัพสองแสนเนี่ยจะมาบุกคับเสมุทรครับน บ, บีจึงต้องยกทัพไปปกป้องและเนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นสมัยท่านน บ, บีกะดีหรือสมัยสุฮาบะกะดีทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นยังต่อเนื่องแทบทุกปีและเกิดจากการที่ศัตรูอิสลามเนี่ยเขาจะวางแผนมุ่งที่จะมาทําลายมุสลิมหรือทำลายอิสลาม และนบีละซาร์ก็ต้องออกมาปกป้องแทบทุกปีเลยทำให้เกิดกระบวนการตีความเข้าใจในนิติศาสตร์อิสลามว่าวาจิบจะต้องมีการทําสงครามทุกปีและนเป็นทัศนน้าที่มีจริงในบรรดามัซฮาบต่างๆนี่เขาบอกว่า ج ิ ا าดีมันสออย่าง ج ه าดอุดเดฟาและก็ ج ه ا อุดตะลับ jihad ดูเด็ดเรา jihad ป้องกันหมายถึงมสัตรูมาบุกเราต้องป้องกันแต่มันมี jihad ตั้งที่เราไม่ต้องรอให้ศัตรูมาเราต้องริเริ่มไปทําสงครามกับเขาแต่สงครามนี้มันมีเหตุผลสงครามสงครามเพื่อด่าวะด่าวะก็หมายถึงว่าสงครามให้ให้เขาเลือกระหว่างการทําสงครามหรือการรับอิสลามหรือการจ่ายยิเซียจ่ายภาษี นี่คือทัศนค์ของอุลลามะส่วนมากเขามองอย่างนั้นแต่อิหมามอิบนาฏัยเมียอิหมามเชาวกานีอิหมามซาณานีแลัก็บรรดาอุลลามะหลายท่านที่มีชื่อเสียงเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วสงครามทั้งหมดในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีสงครามที่จะที่สมัยนบีและซาบานี่เขาเริ่มตั้งใจที่จะไปทําสงครามเพื่อดาวะไม่มีไม่มี และเป็นนโยบายตั้งแต่นบีเริ่มดาว่าน เ, เนี่ยเริ่มไผยแพ่เนี่ยว่าไม่มีเครื่องมือด้านความรุนแรงที่จะใช้ในการาในการดาว่าในการเผยแผล่ลามเอาแล้วก็ที่อุลมาเขาพูดเนี่ยมันมันก็ก็มาจากการที่สมัยนบีแล้วสหาบ้านเนี่ยแทบทุกปีเนี่ยต้องตั้งมือรับคนที่จะมาบุกเขาก็เลยต้องทสงครามทุกปี คนมาก็เลยเข้าใจว่าออมแสดงว่าต้องทงําสงครามทุกปีแล้วเวลาน ب ีชนะในทุกสงครามเนี่ยพอเมื่อชนะแล้วนะพวกคุณพวกคุณตั้งใจที่จะมาบุกเราใช่ไหมแต่เราชนะแล้วเนี่ยเราจะให้พวกคุณเลือกระหว่างการทําสงครามหรือการจ่ายดีซียหรือจะรับอิสลามซึ่งข้อเสนอแบบนี้เนี่ยมันถือว่าแฟร์ยุติธรรมที่สุดสําหรับคนที่เขามุ่งที่จะมาทําลายเรา โอ้จะมาสังหารมุสลิมไม่เหลือแล้วเพราะพวกนี้ไอศาสนาและที่อะไรอุบาตแปลกแปลกมันเกิดขึ้นมาบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่เคย ร, รู้นี่ต้องสังหารหมดให้หมดเกี้ยไอพวกมุสลิมเนี่ยนาบีเสียชีวิตแล้วเปอร์เซียก็ดีอาณาจักรยิ่งใหญ่เปอร์เซียกด็ดีโรมันก็ดี ก, ด ก, ดกวางแผนเช่นเดียวกันพอตอนนั้นนาะอํานาของ มุสล an ิมมาในข้าวสมุทนี่เริ่มเติบโตมากขึ้นบรรดาอาณาจักรเล็กๆที่เคยเป็นสมุนรับใช้โรมันกับเปอร์เซียนี่นะล้วนทิ้งอำนาจของเขาแลับมาสวยมีพระเอกท่นบีโรมันกับเปอร์เซียนี่ก็รู้สึกดูโอ้โหนี่แสดงว่ามุสลิมเริ่มเป็นมหาอำนาจแล้วคิดดูสิไอ้พวกประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ในเวลามีประเทศมหาอำนาจเริ่มขึ้นเขาทํายังไง ภาษาสงครามเ็าเรียกว่าตัดปีกสับปีกทำยังไงอ่ะก็ต้องจัดทำสงครามชาวบ้านนี่เขารู้ไงว่ามีแผนที่จะบุกรุกรุ ก, กรานคาบสมุทรอาหรับแล้วก็สังหารมุสลิมสังหารอาณาจักรที่กำลังเติบโตเนี่ยมันเท่ากับมีมมีคุณค่าเท่ากับทำลายล้าง อิสลามตั้งแต่เริ่มต้นอยากให้เติบโตท่านอบูเบกรก็เลยทั้งกองทัพที่จะไปสูร้รบกับสูร้รบกับเปอร์เซียสู้รบกับโรมันอ้อมาอมาเริ่มเดินขับตบก็บเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อำนาจมาอำนาจเหล่านี้เนี่ยคิดจะวางแผนทําลายล้างอิสลามและมุสลิมซึ่งสภาพนี้นี่ย ก, ก็ถือว่า สภาพของคนนี้กําลังปกป้องตัวเองก็ไม่ต้องการลุกรานไม่ต้องการไม่ต้องการไปบุกหรือไปขยายอํานาจแต่งใดและจากบันทึกของประวัติศาสตร์คนที่ไม่ใช่มุสลิมนักุจาตนี่ไม่ใช่มุสลิมก็ยอมรับในข้อมูลนี้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียว บรรดาประเทศพื้นทีที่มุสลิมได้พิชิตเนี่ยโอ้กี่ทวีปละ่ะประชาชาติประชาชนที่ที่เข้ามาอยู่ในการปกครองอานาจของของมุสลิมเนี่ยมหาศาลเยอะมากไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวนะครั้งเดียวในบรรดาสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามุสลิมหลังจากชนะสงครามแล้วเนี่ย บังคับคนใหรับอิสลามใช่ชนะแล้วนะเฮ้มานี่แ <niche> ต <tä icles 125> ่ไม่ร ouais ับอ uh ิสลามอีกตัดขอไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วถ้ามีล่ะโอ้ถ้ามีนี่แต่ดี่เขาสามารถพูดได้ว่าก็นี่ไงก็ก็ไปทําสงครามกับเขานี่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันวิพากวจาได้ไงที่ไปทําสงครามนี่ไม่ได้ว่าอยากจะทําสงครามที่ทําสงครามนี่เพราะปฏิทินมาอํานาจในยุคนั้นน่ะที่เขาต้องการที่จะมาทําลาย อิสลามและมุสลิมตั้งแต่เดิมตั้งแต่แรกเขาจึงต้องออกไปสู้รบพอไปสู้รบแล้วนี่รับชัยชนะมุสลิมรับชัยชนะอ่ะพอมุสลิมรับชัยชนะแล้วนี่นะคนรับอิสลามมาทันทีไม่เปล่าแต่มุสลิมบริหารปกครองด้วยความเป็นธรรมคนนี่รักอิสลามด้วยตัวเองแล้วมาซึมซับอิสลามด้วยตัวเอง แต่คนที่ต้องการใส่ร้ายอะเลห์ธรอิสลามบอกว่าอิสลามถูกเผยแพร่ด้วยอ่าด้วยด้วยคมดาบโดยอาวุธด้วยความรุนแรงถ้าด้วยอาวุธด้วยความรุนแรงเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นในตลอดประวัติศาสตร์ถ้าไปบังคับข่มขืนชะความรู้สึกชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่มีวันที่จะที่จะรักใครคนที่บุกรุก มาสังหารชาวบ้านดูยุคจกักรวรรดิ น, นิยมฮอลแลนด์ยึดครองอินโดอนดินโดนีเซียกี่ปีเกือบ90ปี90ปีนี่นี่ไปดูทีตอนนี้มีชาวอินโดสักคนหนึ่งพูดภาษาฮอลแลนด์ได้ไหมฝรั่งเศสยึด โมร็อกโกร้อยสามสิบปีนี่ไปดูดิจะต้องเป็นคนที่แบบว่าถูกบังคับเรียนภาษาฝรั่งเศสจะได้ทำงานจะได้จะได้มีธุรกรรมกับคนฝรั่งเศสถึงจะพูดภาษาฝรั่งเศสประเทศียิถูกยึดครองจากประเทศอังกฤษเกือบร้อยปีเออ ด, ดิคนอียเนี่ย พูดภาษาอังกฤษยังไงแต่พอดตแต่มุสลิมเนี่ยไปยึดครองไปพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยห้าสิบปีนะห0สิบปีเท่านั้นนะซาฮับยุตเปอร์เซียระยึตเปอร์เซียประมาณปีที่ปีที่ส5บห้าปีที่ส5บหฮิจรโสการา ปีที่สิบ้าหนึ่งรอยศตวรรษหนึ่งร้อยปีนะประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีเนี่ยคนที่ประพัน์หนังสือไวยากรอาหรับเล่มแรกไม่ใช่คนอาหรับคนเบอร์เซียซีเบวเขียนหนังสือไวยากรอาหรับนี่ไม่ใช่อาหรับเป็นอะไรที่เขาเรียกกันมูอัลลัฟนะที่เขาเรียกกันมูอัลลัฟ เป็นวลลัมนั่นหมายรัวว่าถ้าหากว่าอาหรับเข้าไปแล้วก็ไปกินข้าวเจ้าบ้านไปไปคือสร้างความเสียหายความเกียิชังจะมีหรอคนที่จะมารักรักภาษาถึงขนาดที่จะเป็นคนอัจฉริยะของภาษาเป็นได้ไม่ได้นี่เป็นตัวพิสูจน์ว่าการทำสงครามของซาฮาบะ ในยุคที่ซาบะได้พิชิตเมืองต่างๆเนี่ยทำเพื่อปกป้องอิสลามและทำเพื่อปกป้องอิสรภาพของประชาชนด้วยก็เหมือนที่อเมริกาทำสงครามตัวโลกเพื่อประชาธิปไตยทำไมอ่ะไปถลม่มตอริบันทำไมอ่ะก็เขาไม่ได้บริหารด้วยประชาธิปไตยฮึสแตนด์ทไมไปทำ ไ, ไป จัดการเขาหลังก็เขาปฏจการนะเขาไม่ได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยแล้วเวลาจัดการระบบการบริหารจัดการประเทศหนึ่งประเทศใดในม า, าโอนิธดีแล้วตอนนี้เนี่ยเขาได้ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอแสดงว่าพวกคุณทุ่มงบประมาณช่วยชาวบ้านจะได้ดาว่าให้คนได้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มารูปแบบเดียวนี่แหละตอนนั้นนะ่ะในอย่างที่เคยบอกเคยอธิบายก่อนนะนี่เรื่อง น, น, นี้่หลารอบนะครับแต่ก่อนโน้นนะประชาชนเนี่ยเขามิมีสิทธิ์ที่จะเลือกศาสนาของตัวเองกษัตริย์เขานับถืออะไรเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องต้องตามตตามะต้องตามกษัตริย์ต้องตามอย่างเดียวสาบ้านเนี่ยก็เลยมองว่ะ <c oughs> เขาจะต้องช่วยเหลือชาวบ้านด้วยทุกพื้นที่ให้เขามีอิสระในการที่จะเลือกศาสนาที่ตนเองต้องการนับถือทนี้จะหากว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธานี่เขาห้ามไม่ให้มุสลิมได้เผยแพร่อิสลามห้ามไม่มุสลิมนี่ได้นับถือศาสนาที่ตนเองต้องการก็ต้องสู้รบเขาเป็นศัตรูเป็นเป็น เป็นปฏิปักษ์กับมุสลิมแล้วยิ่งได้ว่าเขามีเจตนาที่จะฆ่ามุสลิมเนี่ยนี้ชัดเจนและเรามีสิทธิ์ในการที่จะปกป้องตัวเองชัดเจนฉะนั้นถ้าเราบอว่า قاتل الذين يلونا ق م ي ا ل ك ف ر จงสู้รบสู้รบกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพวกทันเพราะเราไม่สามารถที่จะสู้กับกูฟาร์ที่อยู่ทั่วโลกในเวลาเดียวกันเข้ามาเช่นเดียวกัน เราก็ไม่สามารถดาวว่าคนทั่วโลกในเวลาเดียวกันการดาวว่านี่ก็ต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนนบีอามะก็เลยบอกกับท่านนบีอันซิราชีรัสตะกอัครบินเตือนดาวว่าคนใกล้ตัวของของท่านนบีก่อนและการนี่จะสู้รบกับศัตรูแล้วก็เอาคนที่ใกล้ใกล้ตัวก่อนดีเขากำลังที่ที่เป็นอันตรายสูงสุดสําหรับพวกเจ้าก่อนวะลย์จุดุฟิกุมหิลซะ แล้วจงให้แล้วจงให้พวกเหล่านั้นได้ประสบกับความรุนแรงจากพวกท่านแน่นอนคือถ้าเราเข้าใจในบริบทนี้เราจะไม่เข้าใจอย่างที่เขาอยากจะอธิบายนี่ว่าศาสนาสอนให้เรารุนแรงกับคนอื่นแม้กระทั่งคนที่มีความคิดต่างอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อายาเกี่ยวกับความคิดต่างคือต้องเข้าใจบริบทนะ่ะคือ แต่ว่าอธิบายเนี่ยพออธิบายแบบนี้หนะึ่งนี่ไงศา ส, สนาอิสลามเนี่สอนให้รุนแรงกับคนอื่นแต่จะเข้าใจบริบทนี่กูฟรงตกอนุน่ะคือนบีตัวคอนุน่ะคือนบีไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสังคมแบบชิวๆนะเออนบีนึกจะไปหน้ากาบาไปดาวะแล้วก็คนก็มามารับอิสลามเออเอาให้มันนะนะก็เลยออกทีวีเลยรับอิสลามออกทีวีเลย เขาเหมือนปัจจุบันนะเหมือนตอนนี้นะแต่รับอิสลามมาไหก็ได้อยากจะออกทีวีก็ออกทีวีได้อาจจะมีคนเครื่องอาจจะเขาไม่ไม่สามารถห้ามได้นี่มันมีระเบียบกติกาอะไรที่ที่ให้อิสรภาพอยู่แล้วแต่วันนี้คืและนี่คือเหตุว่าทำไมทาไมาถึงมุสลิมตอนนี้เนี่ยเขาไม่สู้รบเขาไม่ฆ่าใครก็ ก็มันไม่มีเหตุผลทำไมต้องไปฆ่าใครทั้งนั้นดีเรามีอิสรสิทธิที่นบีตอนนั้นนะต้องการนาบีตอนนั้นนะ่ะไปบอกกับชาวกุเรชบอกว่าแตวน น, นี่วันนี้วันนะั้นเนปล่อยให้ฉันคุยกับชาวบ้านฉันต้องการแค่นี้ปล่อยป่อยฉันคุยคุยได้ไหมนี่ตอนนี้เน่ะคุยได้ไหมคุยได้คุยได้ ผมเห็นพี่น้องชาวเกาหลีที่นับถือศาสนาคริสต์เยอะในบ้านเราไปดูดีไฟแดงไฟแดงที่มีรถเยอะๆนี่เยซูล้างบาปโลกก็พูดได้แล้วก็มีเปิดเอเนี่ยเปิดเปิดเทมเลยนะตำรวจห้ามได้ไหมตำรวจห้ามไม่ได้ อ่ะเพราะว่าเนี่ยระบบที่ทำให้มีอิสระภาพในการเผยแพร่ในการพูดได้อะนะมันเพียงพอสาหรับมุสลิมที่จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเหตุผลแล้วเน่ยที่จะใช้ความรุนแรงหรือที่จะใช้กำลังในการเรียกร้องสิทธิ์ถึงเรื่องๆๆๆๆๆๆๆอะไรถ้าตัวเองก็มีอิสระในการดาว่าอิสระในการพูดในการประกาศในการทำไอบาดานททุกสิ่งทุกอย่างทำได้ บางคนบอกว่ for for lim, s, s, And, ้อันนี้อาจจะมีบางอย่างที่มันยังทำไม่ได้เนี่ยก็คืออาจจะมเมืคือมันจะร0อยปนยไม่มีทางหรอกเพราะอะไรเพราะประเทศมุสลิมประเทศบินมุสลิมร้อยเปอรนี่ยก็ันก็ทำไรไม่ได้ร้อยเปรนทั้งไม่ได้ร้อยเปเหมือนกันประเทศมุสลิมบางประเทศนะดาว่าต่างศาสนาเนี่ยผิดกฎหมายประมุสลิมบางประเทศนะถ้าจะดาว่าต่างศาสนกเนี่ย ผิดกฎหมายโดดเล่น ง, งานเพ่งเล็งแล่ถ้าเขารู้ว่ามีใครในเคลื่อนไหวในการดาว่าสสต่างศาสนาแต่งศสนาให้รับอิสลามนี่นะนมีมีสิทธิ์อาจจะเป็นอันอุ้มถูกอุ้มได้และมีคนที่ถูกคนที่ถูกดาว่าและเขารับอิสลามนะทางการเนี่ย มีบังคับให้เขาเนี่ยกลับไปศาสนาเดิมประเทศที่ผู้นําก็เพิ่งมาเยือนบ้านเราเมื่อไม่กี่วันเนี่ยประเทศที่มีอุลามาเยอะๆนั่นนะที่เขาที่เขาชอบไปเรียนเงินที่นู่นนะฉะนั้นอย่างบ้านเรานี่ผมเคยพูดแล้วครับพี่น้องหลายคนแล้วมีบางคนก็มา บงคนนักบุชการบ้านผมเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอิสรภาพในการเผยแพร่อ伊斯ามมากกว่าประเทศซาอุดิอาระเบียมากกว่าประเทศอียิปต์มากกว่าประเทศมุสลิมยักษ์ใหญ่ในโลกมุสลิมโอ้โหพูดได้ไงยะประเทศไทยนี่ดีกว่าประเทศซาอุดีที่มีมักกะมาดีนะมันคนละประเด็นคนละประเด็น <laughs> ความประเสริฐนี่ไม่ได้พูดแต่ได้ว่าความประเสริฐนี่มันเพียงพอนะนะบีไม่ต้องไม่น่าจะอพยพจากมักกะไปเลยถ้าความประเสริฐมันเพียงพอนะนพีก็อยู่ที่มักกะไปดิไม่ต้องอพยพไปมาดีนะซาบาก็ต้ออยู่ที่มักกะทำไมต้องอพยพไปฮับาชานูข้ามทวีไปเลยนะจากเอเชียไปแอฟริกาไปเลยนะเรื่องอะไรอ่ะเขาอยู่ไม่ได้ เราจะบอกว่านในประเทศไทยนีนมีอิสระภาพในการไปแพ้ในการพูดเรื่องศาสนาพูดเรื่องศาสนาทุกเรื่องเลยวิจาร์ผู้นำวิจาร์ความผิดของผูนะ้น่ะจะผิดจะถูกก็ก็พูดไปอิสระภาพแบบนี้มีไหมประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยวิจาร์อวหาน้าสถาบันบันเทิงเขาจัดคอนเสิร์ตเนะี่ แผ่นดินฮารอมนี่แะแผ่นดินมะ ก, กามาดิน่านี่แหละจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เชิญนักร้องนักร้องฝรั่งนี่ว่าก็มีคนวิจารณ์ในในเฟซบุ๊กฮ่ก็โดนอุ้มเขาไม่ได้วิจารณ์อะไรที่มันมันอะไรนักนศาสตร์เขาบอกเอ้ยทำไไงอะจัดคอนเสิร์ตในใกล้ห่างจากมะ ก, กาเจ็ดสิบกิโลเงี้ยทำได้ไงอะเฮ้ยไม่ละอายกันบ้างหรืออะไรเงี้ยอุ้มเลย นีส่สมมติสมมติว่ามีคนมาจัดคอนเสิร์ตไก่จัดคอนเสิร์ตไก่ไก่มาสียดสุราตามกฎหมายบ้านเรานี่ห้ามได้นะคัดค้านได้เลยนะร้องเรียนได้เลยนะยิ่งงานได้เลยนะคนที่มาจัดคอนเสิร์ตมาเปิดคาราโอเกะไก่สุราอย่างเงี้ยมาเปิดถึงแม้ว่าจะถูกกฎหมายนะเปิดร้านขายเหล้ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเข้าร้านสะดวกสื่อ ผมแปลกใจวะไม่มีเหล้าเลยเหล้าไม่มีเลยแต่มีบุหรี่ผมก็เลยถามเจ้าหนา้หนาที่เจ้าหน้าที่อันนี้เจ้าของสาขานี่ที่นี่เป็นมุสลิ ม, มาพอดีแค่เชียนี่เจ้าหน้าที่เอเจ้าหน้าที่ในพนัก ง, งานเนี่ยเป็นมุสลิมกูมีจากาก็ <c oughs> เลยถามเออในเจ้า <c oughs> ของสาขานี่เป็นมุสลิม嘛เขาก็ไม่พอดีใกล้โรงเรียนใกล้โรงเรียนเขาก็ไม่ขายเหล้า ความสำนึกดีนะของของไอ้แบรนด์ร้านสะดวกซื้อเนี่ยดีกว่าความสำนึกของคนที่ขายกัญชาห่างจากโรงเรียนสามสิบเมตรขายกระท่อมห่างจากสุราสิบเมตรพราพวกนี้นี่ไม่มีแบน์เถื่อนนะักมันกระท่อมเถื่อนกัญชาเถื่อนแต่อะไรที่มันเป็นระเบียบะนะแน่นอนอิสระในการที่จะทําให้เรานี่สามารถวิจารณ์ และตามความเชื่อของเราด้วยนะเขอให้เกียรติเราเรจะไม่เป็นอิสรภาพได้ไงไม่เป็นอิสรภาพได้ไงสถานการณ์มันเปลี่ยนไปไงตอนนี้ผู้ร่วมคนก็บอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่ได้แปลกหน้าในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิม ด, ดูเหมือนแปลกหน้าในประเทศ มุสลิมมากกว่าทีสจะไมุสลิมมากคุมฮิญาบในคุมหน้านั่นนะเดินบ้านเรานี่อาจจะมีบางคนเนี่ยแปลกใจสะดุดบ้างแต่น้อยน้อยส่วนมากมุสลิมมากคุมฮิญา บ, บานเนยเดินไปไหนแต่ไห น, ไหนเนี่ก็ไ ม, ไม่อยากจะบอกว่าไม่มีใครใส่ใจสนใจไม่คือเขาตัวใครตัวมันไงเนขาก็เป็นเรื่องของคุณนอิสระการแด่งกายของ ผมก็เรื่องนี้เนี่ยบ้านเรานี่ยดีกว่าประเทศฝรั่งเลยนะประเทศฝรัง่งบางประเทศหนึ่งเครื่องเลยนะแต่มีใครคุมยีจามีใครคุมหน้าอะไรเนี่ยเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่แต่เราเนี่มีสระ ต้องเข้าใจนะผมไม่ดีหมายรวมทุกอย่างนี้มันเพอร์เฟกเรียบร้อยหรือไม่แต่เรื่องนี้เราต้องพูดเราต้องพูดแล้วก็ต้องกำชับกันต้องช่วยเหลือกันเพื่อรักษาสิทธิเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่หายากในโลกใบนี้การที่มุสลิมจะมีอิสระในการใช้ชีวิตทํากิจกรรมประกอบศาสนกิจอเรื่องที่หายากถ้ามันมีอยู่แล้วในเมืองเนี่ยพยายามรักษาให้ดี อย่าได้ทำอะไรที่มันจะเปลี่ยนสภาพนี้ให้ระบบมันเปลี่ยนให้ระเบียบมันเปลี่ยนฉะ น, นั้นคำว่ า, าวิาจยยิูฟีกุมกิลจะจงให้พวกพวกเขาเหล่านั้นให้พวกเห่านั้นประสบกับความรุนแรงจากพวกท่านก็คือพวกที่เราจะต้องไปทำสงครามแบบเขาก็แน่นอนเวลาทำสงครา ม, ามกับเขาแล้วเนื่องจากว่ามีเหตุผลแล้วเนี่ยก็ต้องมีควรุนแรง و ع ل ม و ا, آ ي أن ي آ, ا ل ล ه مع المتقين لفروته وأن الله مع المتقين แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ย่ำเกรงทั้งหลายนี่เป็นอีกหนึ่งอายะในบรรดาอายะต่างๆหลายอายะในกุรานที่พูดถึงความประเสริฐของความตักวะแต่อายะนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่อุลมาฮุริก่ะมาียะตุลลอ การที่อัลลอฮ์อยู่ร่วมมาอิยานอยู่ร่วมแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ร่วมกับเราด้วยตัวพระองค์ท่านเองแต่การอยู่ร่วมก็ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์หลายอายะในกุตัานก็พูดถึงประเด็นนี้การที่อัลลอฮ์อยู่ร่วมกับกลุ่มชนเหล่านี้กลุ่มชนเหล่านี้เช่นอินนัลลอฮ์มาอัลสาบีรีนอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์สนับสนุนพวกเขา Allah ให้กําลังใจเขา a l l ช่วยเหลือเขาซึ่งเรื่องนี้จะต้องเป็นเนื้อหาที่สร้างกําลังใจวิเศษสําหรับผุสศรัาการที่เรามีความรู้สึกและเราไม่ได้รู้สึกเองนัมันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการแจ้งข่าวจาก Allah ก็ Allah บอกกับเราว่า Allah อยู่กับเราในเมื่อ เนื่องถ้เราเป็นผู้เยี่มเกรงแสดงว่าถ้าเราได้บรร ล, ลุความเยี่มเกรงต่อลระสุภานุวาลาเราต้องรู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราจริงๆและถ้าเรารู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วสิทาอะไรเพราะเราเยี่ยมเกรงอัลลอฮ์ Allah, นี่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างอื่นที่จะมาแย่งซีนเฮ้ยทําได้ไงดูเขานูน่นดูเขาอ้าอนี่ก็เราทําแล้วเพราะเราพเพราะเราอยากจะเยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮ์ แล้วถ้าอัลลอ์อยู่กับผู้ยำเกรงฉันไม่สนใจละอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยฉันไม่สนใจละในเมื่อเป็นเป็นคำสั่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดตะว่าเกิดเป็นผู้ยำเกรงจริงๆนะนะทไม่ต้องสนใจไปศึกษาดูในคุรานในฮาดีสทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอ์สอนไว้ที่นบีสอนไว้มันเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวนึงก็ได้เสี้ยวเล็กๆนะ ที่จะสร้างความเมียมเกรงต่อเราอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะมันไม่มีคําสอนเดียวอันเดียวที่จะสร้างความเมียมเกรงก้อนใหญ่นอ้ยุ่งวะทำแล้วตะกวาละ่ะเป็นมุตตะกีนละ่ะมันไม่มี แต่มันอาจจะมีคําสอนบางอย่างถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะสร้างส่วนของของความเมียมเกรงนี่ที่จะทําให้เรารู้สึกถึงผลลัพธ์ของความเมียมเกรงนั้นๆแต่มันไม่ได้สร้างความเมียมเกรงทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องการบรรลุทั้งหมดเนี่ยด้วยคําสั่งสอนเดียวแม้กระทั่งเจียดทำไมอ่คนที่ทําจียดก้อนเดียวนี่และก้อนอื่นไม่ได้ทําอะไรนอจากทำเจียดแตทําซินา ยืมเงินคนอื่นไม่คืนอย่างเนี้ยคนทำจีฮาตยืมเงินน บ, บียังไม่ละมาได้เลยคนไปทำจีฮาตกับท่านน บ, บีแล้วก็ไปซุกซับเฉลยซุกเสื้อผ้าผืนืนเดียวนะโต๊ผืนหนึ่งจากซัพยบเฉลยก่อนแบ่งคือเขาเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าเขาแบ่งซัพยบเฉลยเขาอาจจะมีสิทธิ์ต้มนั่งก็ได้แต่เขาไปซุกก่อนแบ่ง เวลมามเขาเรียกหูลูลหูลูลในกระม่ยมทีว่าขโมยแต่ขโมยในสวนที่เป็นของเขาอ่ะที่เขาอาจจะมีสิทธิ์นะนะก่อนที่จะแบ่งบาเหมือนกันนะนบีบอกว่านี่คนดีจีฮาดแล้วก็เสียชีวิตคนก็บอกโอ้โชคดีคนนี้ ش ه ีดเลยเขาบอกว่ า, นน า, วาไม่น่าจะไม่น่าจะใช่กําลังถูกทรมานในกูโบด้วยด้วยเสื้อผ้าที่ซุกไปเนี่ยที่หูลูลไปเนี่ย ด้วยไฟนรกในคูโบของเขาทั้งตั้งที่หนะ่ะแสดงว่ า, ม, ามันมีการงานที่จะอํานวยแน่นอนวันเกีย ม, มานี่อโมยุติธรรมแน่นอนก็จะช่างมีตาช่างแต่มันมันบ่งบอกว่าแสดงว่าจิฮัทซึ่งมันน่าจะอํานวยตั้งว่าเพียงพอนะแต่มันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเขามีอย่างอื่นที่มันแย่มันกันแแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะ ดีที่สุดเนี่ยพยายามเพิ่มพูนความตะกกว่าด้วยการปฏิบัติคำสั่งสอนในมที่สุดและพยายามลดลดลดลอดล ด, ล ด, ลดความชั่วที่เป็นข้อห้ามให้น้อยที่สุดและเราจะเห็นว่าอัตราความตะกกว่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มพอถึงจุดที่เรารู้สึกว่าอัลลอ์อยู่กับเราจริงๆนะ น, นั่น คือเออบิ่มกับตะกวัวแล้วเราจะรู้สึกนั้นยังไงอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องทำกันน ะ, นะมันจะบอกไม่ได้หรอกเมื่ อ, อไรที่อัลลอฮ์จะมาจะมาให้ความรู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเรานี่คือแน่นอนคือถ้าอัลลอฮ์อยู่กับเรานี่อัลลอ์จะไม่ปล่อยให้เรา โดดเดี่ยวคนเดียวหรอกไหมาเราจะส่งสัญญาณเชื่อมัน่นเชื่อมั่นเลยถ้าเราถึงจุดที่อยู่กับล l l a h จริงๆนะเราจะส่งสัญญาเฮ้ยฉันอยู่กับแกนะแกไม่ได้อยู่คนเดียวมันต้องมีต้องมีตอนละมาตอนขอดุอาตอนซิกุลลอ์ตอนทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีสัญญาณจาก Allah سبحانه และก็ตัสแต่เป็นไปนไม่ได้ที่เราได้ใช้ชีวิต อัลลอฮ์สั่งทําอะไรเราก็อะไรก็ได้ยังไงก็ได้อัลลอฮ์ห้ามอะไรเราก็บุกทําเลยกล้าหาญทําทุกอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วเราคิดว่าอัลลอฮ์จะอยู่กับเราหรือเราจะอยู่กับอัลลอฮ์นี่มันมันจะยากและด้วยเหตุผล น, นี้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงพูดถึงสภาพมุนัยเฟตีนเนที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ทาําให้เขานี่ สามารถสถาปนาตัวเองว่าเป็นมุตตะกินซึ่งการที่เขาแยกตัวในสังคมในสังคมมุสลิมไม่มีการสนองการตอบรับคําเรียกร้องต่างๆของท่านนบีสุลต่านละวะเลยอยู่เสมโดยเฉพาะคําเรียกร้องนี้มันมามันมันมาด้วยอายะด้วยโดยวยวาฮูด้วยคําสั่งสอนจากอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาละโดยตรง طريقة ك ر و م ك ا ي ُ م ِْ ن س َ إ ذ ا ما أ ز ل السورة فَمِنْهُمْ مَيَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إ ِ م َ ا ن ً ا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. لما مِي بُدْنِ بُدَّيِ، خُلْقِ الْقُرْآنِ ت ُ و َ ح َ ر َ ت َ ا ن ِ لَمَّا دَخَلَ ا ْ ن َْ م َ มีใครบ้างในหมู่พวกท่านที่บทนี้ทำให้ทำให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นเขาพูดด้วยความด้วยความเยาะเยยเพราะเรายืยนยันแน่ว่าอัลกุรอานเนี่ยมีอำนาจที่จะเพิ่มอีมานของผู้ศรัทธาทุกคนพวกมุนาวิ์เนี่ยเขาก็จะมองแนี่ยเฮ้ มีใครรู้สึก إ ي م ا นเพิ่มขึ้นไหมพูดด้วยความเยอะเย้ยเขาอยู่กันคนละโลกเลยทั้งนั้นก็อยู่ในสังคมมุสลิมนะแต่เขามององค์การของอัลลอฮ์มองคําสั่งสอนของอัลลอฮ์นี่ในในมุมมองเนี่ยมุมมองเยอะเยอะเย้ยนะหมายถึงว่ามันไม่เป็นจริงหรอกว่ากุรานนี้สามารถที่จะเพิ่ม إ ي م านก็นี่ไงเขาฟังกุรานไม่เห็นจะไม่เห็นจะศรัทธาเลย เขาก็จะคุยกันด้วยความเย่อเยิ่บอกว่าเฮ hey, ้ยมีไหมพวกเองมีใครที่มี إ ม م านมากเพิ่มขึ้นดีไหมดีกว่าเดิมไหมอัลลอได้เล่าถึงบอกว่าสุรัตวานี่เป็นสุราที่จะเล่าความไรยำความความน่าอับอายของมุนาวิกที่เขาแอบทำกันในสังคมมาดีนะกุฎอ่านถูกประทานลงมาแทนที่จะรู้สึก เป็นเกียรติที่อัลลอฮฺสุบฮานาวดาลได้ส่งกุฎอ่านลงมารู้สึกภูมิใจว่าเขาอยู่ในยุคที่ได้ฟังกุฎอ่านสดๆแบบนี้กลับเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยอัลลอจึงบอกว่าแฝงมันละดีนอาเมนฟซาดะทูมอมานันอุมยิสต์บิรุนซึ่งระบันดาผู้ที่มีความศรัทธานั้นบทนี้ได้ทําให้การศรัทธาเพิ่มขึ้น แกพวกเขาแล้วพวกเขาก็มีความปิติอินดีนีสาวกนบีที่กุณอ่านถูกประทานลงมาซาฮาบานาบีเนี่ยเขาเล่าบอกว่ากุณอ่านถูกประทานลงมาทุกครั้งเนี่ยนบีเนี่ยก็จะสดับสยบบางทีเนี่ยก็กลมศีรษะเงื้อออกเงื้อท่วมถึงขนาดที่ช่วงหน้าหนาวนี่หน้าห น, นาวจัดเนี่ย หน้าผากของนบีเนี่ยเมื่อเต็มเต็มหน้าเต็มหน้าผากแลยสหบ้าบางท่านนี่ที่นั่งอยู่ใกล้ท่านนาบีเนี่ยจนหัวเข่าของท่านนาบีเนี่ยทับหัวเข่าของสหบ้าเนี่ยเขาบอกว่าบังเอิญเนี่ยตอนนั้นนะวะยูเนี่ยจิบรีนเนี่ยเอากุอานประทานลงมาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกเลยความหนักอึ้งของวะยูเนี่ยไงเพราะ หัวเขาของท่านนบีมาทับหัวเขาของเ ข, ข, ข, ข, ขาเนี่ยแทบจะแตกหัวเขาแตกเราบอกในกุษานใส่วนมุซัมลอินนาซนุลกีอาลกะกาวันธะีลาเราจะประทานลงมาอย่างเจ้าซึ่งําพูดที่หนักหนักจริงอนบีบางทีเนี่ข ย, ย, ยนนขยี่อูดแล้วว่ายูรับวยูตอนที่ขี่อูดเนี่ยอูดเนี่ยต้องคุกเข่าต้องต้องจุดเลยอะความหนักของ ของกุรานความหนักอึ้งของกุรานสาบาลเล่าว่าตอนท่านนาบีพอรับคุรานแล้วนี่นะแล้วสหบาลนี่เขจะรู้นะว่านบีเนี่ยจะรู้สึกหนักอึง้งขนาดไหนนะสหบาลนี่จะไม่กระดิกรู้ว่าคำมีคงคือคือฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยกําลังออนไลน์กันนะนึกออกปะสาบาลนี่ก็ฉลาดมากอัลลอฮ์กับนบีกําลังมีกำลังกลังมีติดต่อกันไง เขาบอกว่าไม่มีใครกระดิกเปรียบเส ม, มือนอันนี้เป็นสำนวนที่อาราบจะใช้กันเปรียบเส ม, มือนนกเกาะอยู่บนศีรษะทุกคนพวกเราลองคิดดูสิเวลามีนกมาเกาะมาเกาะที่ไหนกันแล้วก็เราดีใจใช่ไหมหอนกมันมาเนี่นยแสดงว่านกจะไม่เกาะนี่มันต้องมันต้องคุ้นเคยมากหรือสบายใจว่าเราเนี่ยไม่อันตรายต่อมันใช่ไ แล้วเราอยากให้นกนี่มันเกาะ อ, อยู่ น, น, นานๆใช่ไหมเราทำยังไงเฉยๆยๆเๆเ ย, ย, ย, ยไม่กันดิกเลยก็นั่นสอฮาบานีแคน่นัน่งกกอยู่บนศีรษะของเขาทุกคนนิ่งนิ่งสนับฟังรออย่างเดียวช่วงเวลาที่ท่านนาบีจะได้รับวาอยู่สำริดแล้วแล้วก็มาอ่านกุรอานเดีย คุรอ so ่านมบอกว่าฮ so ุมยาสตับชิรูลักเขาปิตีอินดีใช่ดีเขากำลังจะฟังคุรอ่านใหม่ๆม่ใหม่ๆมสดสเนี่ยพอรู้แล้วนี่สัญญาณของว่ายูนี่มีคุรอ่านใหม่มาละลองจินตนาการนี่ความดีใจของสหายเนี่ยเวลาเขารู้ว่ามีคุรอ่านใหม่ๆม่สดสดสดนี่จะประทานลงมาเนี่ยเขาจะดีใจกันขนาด ขณะที่สภาพของมุนาฟิกนี่เวลามีกุรานใหม่ๆเนี่ยอถ้าว่าอุนซิละสุระจะมีสุร่าใหม่ๆถูกประทานลงมาเนี่ยเขาก็จะเ ย, ย, ยอะยกันแต่ผู้ศรัทธาก็ทำผู้ทธาไม่เขาจะมีความปิติยินดีและอายันี่จะเพิ่มจะเพิ่มอิมาสุร่าใหม่หรืออายันใหม่นี่จะเพิ่มอิมานในหัวใจของเขาแน่นอนกุรานใหม่ๆสุร่าใหม่ๆสมยัยสัฮาบะมันก็ ค่าเดียวกันเลยกับการที่เราในปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้อายะใหม่ๆสุร่าใหม่ๆ ห, ห, ห, หรือบางทีก็อาจจะอ่านไปแล้วรอบหนึ่งหรือรสมรอนอ่านไปแล้วรอบนึงแต่ไม่เข้าใจแต่มาอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วได้เข้าใจมันก็เหมือนเป็นสุร่าใหม่อายะใหม่ที่เราเพิ่งได้ยินตรวจสอบตัวเองสิ พอเราได้เข้าใจอายานี้ใหม่ๆเราได้เข้าใจสุรานี้ใหม่ๆแล้วก็หัวใจของเรารู้สึกว่ามันเพิ่มอิมนันกับหัวใจของเราไหมเรารู้สึกปิติยินดีกับสุรานี้กับอายานี้ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นนี่คือจุดจำแนกเหมือนในยุคนั้นก็เป็นจุดจำแนกระหว่างผู้ศรัทธาและก็ผู้กับกอกทรับมุนาภิกมันก็เป็น มันเปไ็นเครื่องชีวัดสำหรับเราเหมือนกันฟังกุตรานเฮ้ยฮยฟังฟังัฟ ง, ฟ, ง, ฟ, งฟังให้ดีอ๋อนึกว่านึกว่าเขาตั้งใจมาเขายอเยะเยเฮ้ ย, ฮยอ่า น, นุานนะเว้ยเนี่ยเคยเห็นหมะไอ้คนที่ชอบชอบชอบประชดอะประชดเาอาราณอาราณอาราณเนี่ย อาจานแล้วก็ใส่หูฟังเพลงเฮ้ยยียยียบก็ลอาจานอยู่แล้วก็เล่นหมากลุกต่อคนที่ชอบประชดเรื่องศาสนาคนที่ชอบเยอะเย้ยกับหลักการศาสนาเช่นเดียวกันหลักการศาสนาที่มันเป็นอัตลักษณ์ของสังคมเช่นการคุมหญ้าเช่นการไว้ครา เช่นการละหมาดก็จะมีคนบางคนนในสังคมในสังคมุสล um nah ิมมาละผมว่าในสังคมนี้ไม um ่ใช่ม um ุสลิมไม่มีใครกล้าหรอกที่จะมาเยอะเย้ยมาเลยในสังคมมุสลิมนี่แหละที่จะมีบางคนบางอาจเอาเรื่องศาสนามาประชดเอาเรื่องศาสนานี่มาเยอะเยยมาดูถูกคนอื่น وأما الذين ู ي ق ل و ม ه م مرض ฟ้า زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون ล่าสัมรับบับดูที่มโรคอยู่ในจิตใจของพวกเขาบทนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มความสกปรกความสกโคกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีกว่าแม่ตัวและพวกเขาจะตายไปว่าฮุมกาฟิรู้ในสภาพที่เป็นเป็นพวกปฏิเสธศรัทธา في قلوبهم มารดัวจนเขานิมิโรกอันนี้เป็นสัญลักษณ์เลยเป็นสานวนในกุรานนี่พูดถึงแล้วนี่นะก็หมายถึงว่าพวกมุนาฟิกในต้นสุรเบคาะบูดิลบิหาระห์มุดานี่กลุ่มกลุ่มมุนาฟิกนี่กลุ่มพวกสับหลับกับกรอกกุมมุนาฟิกทาไมอ่ะเพราะโรคที่อยู่ในหัวใจที่ทาให้พวกเขาไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ จากองค์การของ Allah s คนที่ไม่สบายน้ำห ว, หวานๆนะ่ะเวลาดื่มเฮ้ยทำไมมันขมอ่ะเขาไม่ปกติแล้วสิแสดงว่ามันมีโรคชนิดหนึ่งในร่างกายในสรีระของเขาที่ทำให้มีเกิดอาการไม่ปกติความไม่ปกติหวานจะเป็นขม บางทีก็ขมก็อาจจะเป็นรสชาติอะไรอย่างอื่นกลิ่นหอมก็จะกลายเป็นกลิ่นเหม็นอะไรแบบนี้เราจะได้บอกเขาไม่ปกติเช่นเดียวกันความปกติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนนะพอฟังกุรอานแล้วนี่นะฟังกุรานแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นเยาวชนดีประเทศประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษเขาเคยถามเรื่องเนี่ย เอาคุตตาไปให้ต่างศาสนาฟังเก้าสิบเก้าปอร์็นนะ่ยพอฟังแล้วเนี่ยอยากฟังต่อเขามีมองเออมันเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นไหมเขาอยากฟังต่อมุสลิมทั่วไปเนี่ยเวลาเปิดคุตตานในเขาเนี่เขาก็จะรู้สึกรู้สึกดีคนที่ไม่ชอบฟังกุตอาเ น, นีะ่ะที่มีโรคมืดเนีะ่ะก็นั่นแหละคือปัญหาว่าเขาไม่ปกติเพราะเขาอินกำลัง กำลังคุมคุมสมองเขาอยู่เนี่ยถึงไม่อยากฟังกุศรลรแต่คนปกติเนี่ยฟังกุศลเนี่ยก็จะรู้สึกรู้สึกดีจึงเป็นเครื่องชีวัดอีกอันหนึ่งที่สามารถทําให้พวกเราเนี่ตรวจสอบตัวเองตลอดฟังกุศรลรอ่านกุศรลรการอ่านกุอานอย่างต่อเนื่องการฟังกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเราไม่ใช่มุนาฟิก อีกคน่จก้าเป็ชเปมนาฟิกหมือันก็กันทุกข์นุอ่านกูรอานไหมวนฟังกูรอ่านดูกวนไหมว่าอ่านกุรอานรู้สึกดีไหมไม่ใมูนาฟิกแต่าอ่านกูรอ่านแล้วก็ไม่ไม่คยอ่านกุรอ่านพอจะอ่านกุรอ่านแล้วก็รู้สึกไม่อยากอ่านพอใครเบิตกุรอ่านก็ไม่อยากโดนของบ้า่าไม่โดนของไม่โดนของบคบกตีไม่อยากฟังกุรอาน กาฟังกุ่านก็ไม่รู้สึกมีไม่ดีความเป็นมุนาเิตเนี่ยมีโอกาสยิ่งแต่มีเรื่องอื่นมาเสริมไม่ชอบฟังกุ่านนะชอบฟังเพลงชัดอันนี้ค่อนข้างชัดทำไมอ่ะพอเพราะเพลงนี่ก็คือก็คือคุอ่านของเชตตอนของอิบลิสไม่ชอบฟังกุ่านของอัลลอฮไปฟังกุตานของอิบลิสของเซตอนเนี่ยนชัดเจน Mm hmm. พอฟังกุณอ่านก็รู้สึกเครื่งเครืองรู้สึกรู้สึกรำคาญปิดิดปิด ป, ดปดมันใช่เป็นอาการของโรคมืดบางบางท่านก็เป็นอาการของโรคมืดแต่บางคนเนี่ยไม่มีโรคมืดไงไม่ได้โดนของ อ, อะไรพอฟังกุณอ่านก็ไม่อยากฟังแต่พอเปิดเพลงอ่ะก็เริ่มกระดิกแล้วเริ่มเริ่มไปแล้ว ไปทั้งหัวใจทั้งอเอาให้ไปด้วยไปไปด้วยพาไปด้วยอันนี้ก็ชัดชัดคนที่คุยเรื่องกุรานคนที่อ่านกุรานไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาคนนี้มันมันเยอะมันเยอะอยู่อะไรกัอะไรก็ยกอกุรานยกอุราน แต่ได้คนนึงล่ะเสนออะไรอ่ะเสนอเพลงเสนอส่งตลอดเลยไอ้นี่นี่ส่งไฟล์กุ๊อันไอ้นี่ส่งไฟล์เพลงส่งเกมส่งอะไรใช่คนนี้ใช่คนนี้ใช่นี่มันก็เป็นตัวชี้วัดว่าเราเราชอบแบบไหนเลือกแบบไหนก็เหมือนที่อัลลอฮฺได้เล่าไง สำหรับคนที่หัวใจของเขาเนี่ยมีรูปั่างหากแลวแตกนะแทนที่กุรานเนี่ยมันจะชำระความสกปรกใเป่ามันเพิ่มความสกปรกเออเราบอกในสุตอิสระว่าจะน๊าซิลูมินอัลคุรานีมาฮูวะชิฟาอูวะรัมมะตุลลิมุมินีประธานคุรานอันเบนยาบัมบัดและความเมตตาสาหรับผู้ศรัทธา و ่าแล้วจะ زيد ุ่่ความไม่น่าอิ่ล ا ค่าส่าระแต่คุร์อารนี่จะไม่เพิ่มอะไรแก่ผู้อธรรมนอกจากการขาดทุนฟังกุร์อานแล้วขาดทุนคิดดูสิฟังกุร์อานแล้วก็เพิ่มโรคไปอีกเพิ่มความสุครัวความสุขรกไปอีกเพราะอะไรมันมันมีไหมมันมีอ่าสมมติว่า คนปกติเนี่ยสุขภาพปกติเนยเวลาให้กินอะไรดีๆนะเขาก็ดีแต่บางคนเนี่ยที่มีโรคภูมิแพ้ความไม่ปกติในร่างกายความไม่ปกติกตพอให้กินนี่โอ้ยเป็นพื้นเลยทําไมอ่ะก็เป็นของดีไงทําไมบางคนเนี่ยกินของดีแล้วก็เป็นเบื่อกับร่างกายเขาไม่ปกตินี่ก็เหมือนกัน ถ้าเป็นปกติเนี่ยคุณอ่านนี่ก็จะต้องเป็นเรื่องดีสำหรับหัวใจแต่สําหรับหัวใจที่ไม่ปกติมีโรคไงถ้ารับคุณอ่านฟังกุณอ่านแล้วเนี่ยก็จะไม่ดีขึ้นนะรักษายัางไงก็เหมือนคนที่มีโรคหุ่มแพลเนี่ยก็ต้องรักษาโรคหุ่มแพลต้องรักษาโรคหุ่มแผลรักษาโรคหุ่มแพ้ได้รักษาได้แต่มันต้องรักษานานหน่อยโรคหุ่มแผล เช่เหมือนกันคนที่มีปัญหาความไม่ปกติในการฟังพุทธิ์อ่านก็ต้องรักษาแตก็ต้องรักษานานหน่อยปรบับชีวิตของตัวเองเนี่ยถ้าเป็นคนที่รักอัลลอฮ์และศสูและเป็นคนที่อยากอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์และศาสนเนี่ยก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับคุรานสร้างความคุ้นเคยกับคมสั่งสอนของอิสลาม لأ إكسي أيهنا كاب أكابيان كأني لعن كاب ما صل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.